ครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงการถึงไตรสนานาคมแบบปณิป่าตะการนอบน้อมพรหมายุพราณ์นะพรหมายุพราณ์ซึ่งมีอายุร้อยยี่สิบปีฟังธรรมสูตรเดียวเป็นพระอนาคามีเป็นโอปปติกะนั่นแหละนั่นแหละ แต่วันนี้ก็ไม่ได้เอาเอาเป็นว่ากล่าวถึงการนอบน้อมสี่อย่างนะในหน้าสิอ็ะว่าการนอบน้อมหรือการทําความเคารพเนี่ยนะการยกมือไหว้เป็นต้นเนี่ยมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันนะคนที่เคารพยกมือไหว้กราบไหว้ใครก็ตามมีสี่ลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือการนอบน้อมด้วยสา ม, มารถแห่งการเป็นญาติใช่ไหมเขาเป็นญาติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ยกมือไหว้ ไหวเพราะกลัว3ก็เพราะเขาเป็นอาจารย์4ก็เป็นทักษิณยะบุคคลใน4อย่างนั้นการถึงสารณะมีด้วยการนอบน้อมพระทักษิณยะบุคคลมิใช่ด้วยเหตุอื่นอาการถึงสารณะนี้มีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมคือการนอบน้อมการนอบน้อมนั้นก็ชื่อว่าเป็นวิธีหนึ่งในการถึงสารณะหรือถึงพระตนะไตรแต่ว่าการนอบน้อมเนี่ย หรือการยกมือไหว้การกราบเป็นต้นเนี่ยมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันพันหนึ่งในสี่นั่นแหละที่เป็นการถึงไตสรสารณคมส่วนสมข้อนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคนจะถึงสราระด้วยอำนาจแห่งคุณที่ล้ำเลิศของพระตนะตรายนั่นเองจะขาดก็ด้วยามสามารถแห่งการยึดสิ่งอื่นว่าประเสริฐกว่านั่นแหละคือถ้าเราว่าเข้าใจว่ามีอะไรที่ดีกว่า ประเสริฐกว่าแล้วเราไปไหว้อะอย่างนี้ชื่อว่าขาดจากสารณะใช่หเราถือว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรากราบเราไหว้เราเคารพเนี่ยลักษณะนี้ชื่อว่าเราขาดจากสารณะแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ใดไหว้ด้วยคิดว่าท่านผู้ผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์เป็นทักษินยะบุคคลผู้เลิศในโลกสารณะเป็นอันผู้นั้นถือเอาแล้ว บอกในโลกนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครดีเกินกว่าพระพุทธเจ้าไหวในฐานะอท่านดีที่สุดเลยอ่ะแล้วก็เคารพอย่างนี้เชื่อว่าคนนั้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแต่ถ้าบอกว่ามีดีกว่ามีบางท่านดีกว่าพระพุทธเจ้าถ้าลักษณะนี้ขาดจากสารณะแสดงว่าคนนั้นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเออคำว่าขาดจากไตรสารณะคมนี่นะครับแล้วกว่า หลุดออกไปจากศาสนาเลยยังไงครับก็สภาพจิตในขณะนั้นเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้นับถือผู้ศาสนาอะไรจริงจังแต่ผมเคยได้ยินแต่ยังไม่ไม่พบหลักฐานนะที่ว่าถ้าพระภิกษูหรือพุทธศาสนิกชนใดไปกราบไหว้ศิวลึงเนี่ยถือว่าขาดจากไตรสรพคมเี่ยมีกล่าวไว้ไหมครับอ๋อไม่มีไม่ไม่ยังอาตมาไม่พบนะไม่พบเฉพาะเคยได้ยินนงไม่พบคือถ้าไหว้ในลักษณะอย่างอื่นนะก็ไม่ใช่ว่าขาดอะไร แต่ถ้าไหว่สำคัญว่าเสวารึงนี่แหละคือสูงสุดถ้าอย่างนี้ขาดแต่ถ้าไหว้โดยเข้าใจเป็นอื่นนะก็ไม่ได้สำคัญว่าดีกว่าอะไรก็อาจจะไม่ขาดเช่นเห็นคนอื่นเข้าไหว้เราไม่ไหว้เดี๋ยวเขาว่าเอาไหว้เพราะกลัวเขาว่าก็ไหว้ไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าลักษณะนี้ก็ก็ไม่ขาดก็บอกว่าเมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงสารณะอย่างนี้เมื่อไหว้ญาติผู้แม้บวชในสานัก เดระถีทั้งหลายด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นญาติของเราสารณะย่อมไม่ขาดใช่ไหมญาติเราไปบวชแก้ผ้าทงทงทงทงในศาสนาอื่นอย่างเงี้ยโอมาแล้วเหรอคุณลุงยกมือไหว้ทิงสวัส ด, ดีครับอย่างเงี้ยอย่างนี้สารณะยังไม่ขาดนะจะป่วยกล่าวไปยัยถึงสารณะของผู้ที่ไหว้ผู้ที่ไม่ได้บวชในสำนักเดระถีใช่ไหมคนธรรมดานี่ไม่ต้องกล่าวว่าถึงคนศาสนาอื่นนะเรามาก็ยกมือไหว้เคารพนอบน้อม ก็ไม่ได้แปลว่าขาดจากสารณะอะไรเราไม่ได้สําคัญว่าเขาดีกว่าพระพุทธเจ้าอะไรก็ไหว้เท่ากับเออเขาเป็นญาตินะเขาเป็นอย่างปารบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยกมือไหว้เขาเป็นสมมติว่าลูกของเราไปเรียนอยู่โรงเรียนเขาอย่างนี้ไหว้ในฐานะเขาเป็นอาจารย์ของลูกเราอะไรเงี้ยคนคนุ้นเคยกันอะไรกันก็ไม่ได้ชื่อว่าลักษณะของการนอบน้อมเพื่อที่จะเอาเขามาเป็นสารณะอะไรเมื่อไหว้พระราชาเพราะกลัวก็เป็นเช่นกันคือสารณะก็ไม่ขาด เพราะว่าพระราชานั้นเมื่อไม่ไหว้คงจะทําอนัตตะคือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ให้ก็ได้เพราะเป็นผู้ที่รัษฎรควรบูชากลาบไหว้อยเงี้ยเพราะว่าการไหว้นั้นอ่ะถ้าทั่วไปส่วนหนึ่งเขาถือมากแต่ทนี้การที่เราเอ้เรานับถือผู้าศาสนาแล้วเราไปไหว่อย่างนั้นผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนั่นแหละเพราะไหว่เพราะกลัวก็สารณะไม่ขาดนะกลัวผีก็ยกมือไหว้ผีอย่างเงี้ยก็ไม่สารณะยังไม่ขาดอะไรหรอกนั่นหละ อันหนึ่งถึงเดี๋ยวีผู้ให้การศึกษาศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะไหวสารณะก็ไม่ขาดประเภทของสารณะนั้นเพิ่งทราบด้วยการพารนามาดังชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการถึงสารณะก็เป็นลักษณะนี้แหละครวี้ไหวแล้วขาดเนี่ยตัวอย่างเช่นไหวอะไรบ้างครับสมมุติว่าโหสุนัขตาฤชวีมาเนี่ยเห็นเดียรถีแก้ภาพมาเลยเนะ มาถึงก็กราบป็นโลกป็นโลกโอ้ยท่านพระอารหันเนเนี่ยคือสําคัญว่านี่อรหันเลยอะ่ะสําคัญอย่างสําคัญอเจลกอะ่ะอเจลกก็คือแปลว่านักบวชนุ่งลมหม่มอากาศเห็นมาโอ้โหนี่ท่านผู้นี้มักน้อยสันโดษที่สุดเลยอะ่ะนี่หนึ่งในอรหันแน่นอนเลยกราบไหว้เคารพนบนอกท่านเนี่ยโอ้นี่ก็คือคนชั้นสูงสุดแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยสารณะขาดะนะสําคัญว่าท่านเนี่ยดีเลิศประเสริฐที่สุดอะ่ะไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้ ทลักษณะนี้แหละขาดจากสารณะแล้วก็มีตัวอย่างในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าผู้ใดนะฮะกราบไหว้พระโพ ธ, ธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งนี้นะ<จ>นถือ<า>ว่าสูงสุดแล้วก็ยังอาจจะกราบปรักปรำพระพุทิภาคด้วยอย่างนี้เนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณ ะ, ระธธธเขานับถือพระโพธิสัตว์เขานับถือพระโพธิสัตว์แล้วก็พระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์ก็พระโพธิสัตว์ในความคิดของเขา นั่นแหละเพราะว่าแม้แต่เรื่องพระโพธิสัตว์นะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรไม่ใช่ใครที่กล่าวว่าเออฉันเป็นโพธิสัตว์นะแล้วจะเป็นโพธิสัตว์เหมือนปากเขาว่าแต่ว่าพระโพธิสัตว์มีอยู่สามประเภทด้วยกันหนึ่งสาวกโพธิสัตว์สองปัจเจกโพธิสัตว์สามสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์พวกเราก็โพธิสัตว์เหมือนกันน่ะถ้าจะเอาแบบนั้นน่ะ มันก็หนึ่งในโพธิสัตว์แต่ว่าโพธิสัตว์อย่างนี้ยังไม่ถึงกับควรแกการสักการะเคารพในลักษณะเป็น ส, สารณะอะไรเพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระสกท า, าคาพระอนาคาคาพระอาหารหันต์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสารณะที่เราเคารพนับถือนะเราต้องไม่ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมพระธรรมคือพระปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพาน ส่วนพระสงฆ์คือใครผู้ที่ถึงคุณคือสุปฏิปันโนอุโชปฏิปันโนยายาปัติปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นพระอริยะนะนั้นท่านพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่เปลี่ยนแปลงด้วยศีลและทิฏฐิท่านมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงอันผู้ที่เราถึงเป็นสารณะจริงๆเนี่ยเราต้องแบบต้องเช็คให้ดีนะว่าอะไรกันแน่แต่ถ้าหากว่าสารณะเราสับสนนะพระไตรปิฎกเนี่ย ศึกษาไปเราจะเริ่มเคว้ไปเรื่อยและเราจะจากจากคำสอนโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเพราะว่าปกติสักส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงสารณะเลยก็คือมันจะไปถึงอย่างอื่นถ้าส่วนใหญ่เพราะเพราะความเข้าใจเรื่องสารณะไม่พอเพราะนั้นแค่คำพูดเฉยๆเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นผู้นั้นถึงสารณะพอตอนหลังน่ะไอเราเริ่มมาถามคนที่ศึกษาพระธรรมระดับหนึ่งนั่นถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเจ้าชายสิทธัตถะเขาอะ เจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะเจะ้าชายสิทธัตถะคือพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเรียกว่าท่านคือเจ้าชายสิทธัตถะอีกเลยท่านคือพุทโธ ท, ท่านคือสัมมาสัมพุทโธเพราะในความเป็นสัมมาสัมพุทโธนะั้นไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละเราต้องแยกให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกโอ้โหรพระพุทธเจ้าเป็นตั้งกะอ่อ น, นแต่ออกเลย กลายเป็นมาเจ้าชายศิลทักคลอดแแวมาโอเเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยนั้นคนนี้สับสนถ้าสับสนเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นต้นปุ๊บเขาจะสับสนในพระธรรมด้วยถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรบริสธรรมสารเทสัทถาเทวมนุษยานางังพุโทโธภัควาถ้าความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลื่อนลอยขนาดไหนเราเข้าใจผู้ศาสนาเท่านั้นแหละ เข้าใจบทเหล่านี้น้อยก็เข้าใจพระพุทธศาสนาน้อยเข้าใจพระพุทธเจ้าน้อยมากนั่นแหละเราจะไม่ไม่เข้าใจเลยเพราะพุทธศาสนานั้นเขาว่าถ้าไม่มีบุญก็ถึงไม่ได้คือบุญในทนี่หมายถึงปัญญานั่นเองนั่นแหละเพราะบางคนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเรานับถือว่าโอ้ท่านผู้นี้จะให้โชคให้ลาบเราเสร็จแล้วไม่ได้โชคได้ลาบก็เลยเลิกนับถือเลยก็มีมั้นแสดงว่าเรานับถือบาง อ, างอย่างอยู่ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเข้าถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ได้เข้าถึงคุณของพระรัตนตรายจริงๆอลองอย่างอยสมมติถ้าพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงคุณของพระรัตนตรายเรามีพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งถามว่าเราจะปฏิบัติธรรมอันไหนปฏิบัติธรรมอะไรที่ว่าเราเอามีธรรมะเป็นสาระมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นที่เคารพนอบนอบมีพระธรรมเป็นอาจารย์เน่ยเราเอาพระธรรมหมวดไหน และในหมวดนั้นๆเนี่ยเราค้นคว้าละเอียดไหมคือถามลักษณะนี้ไม่ใช่ถามลักษณะเพื่อที่จะประจานกันเพียงแต่ว่าเออนะเราจะได้สำเนียกจะได้ศึกษาจะได้สายใจว่าเราควรที่จะศึกษาความในสิ่งเหล่านี้ให้ให้เข้าใจเพราะว่าตอนหลังจะกล่าวถึงว่าไตรสรณะคมจะเศร้ามองเพราะเหตุไรเพราะหนึ่งสงสัยสองเพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจเป็นต้น นั่นคือความเศร้ามองในไตรสารณาคมสารณาคมเหล่านั้นจะไม่มีผลมากจะไม่มีอ น, นิสงส์มากเสร็จแล้วถ้าเราไม่เข้าใจดีพอปุ๊บแล้วบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเราเลยนะบางคนเนี่ยแถวชนบทนะโอ้ยมัวแต่ไปศึกษาธรรมะยังงนอน่ะไม่ได้ช่วยทำนาไร้รอกคำว่า ง, งาั้นนั่นแหละ ก็แสดงว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนในไตสรสาระจริงๆว่าสาระจริงๆคืออะไรเขาไม่เข้าใจเมื่อเขาไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเขาจะห่างพเขารำไปเรื่อยๆเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นั่งสนทนากับยมพุกามธนะถึงเรื่องอใกล้ๆที่พาคนามาเนี่ยก็เข้าไปในป่าข้างๆนะแวกดูปุ๊บแมลงเนี่ยมันบินเข้ามานะภายในรัศมีหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งตารางเม็ดเนี่ยมีสัตว์เป็นล้านๆตัว ในตรงนั้นเนี่ยมันบินว่นอนแสดงว่าสัตว์ในอนาบริเวณตรงนั้นนี่มากมายมหาศาลแล้วเรานั่งกันอยู่สามคนโอ้สุขติภูมิมีอยู่สามท่านเท่านั้นเองที่เหลืออบายภูมิทั้งนั้นเลยแล้วกี่พันล้านอยู่ตรงนั้นน่ะในบริเวณแถวนั้นที่ที่เราพักเนี่ยโอ้สัตว์ทั้งนั้นเลยถามว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยสภาพจิตเขาเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าเออที่เขาร้องเขาอย่างจิงจีดจากรจันทรรไรที่มันแหกปากร้องนั่นน่ะ รองด้วยจิตชนิดไหนถ้าเราพูดด้วยโทสะเราจะต่างอะไรจากสัตว์ชนิดนั้นบ้างใช่ไหแล้วก็มาวิเคราะห์ถามดู อ, อเราเนี่ยถ้าถ้าเราปล่อยจิตไปอย่างนี้นะถ้าเราไม่คํานึงถึงถ้าต ร, ายรัยละจริงๆเนี่ยเราเนี่ยตกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็นึกว่าใดดีอ่ะนะคือมนุษย์ทั้งหลายที่ประมาทนะคือนึกว่าวิบากและกรรมชรลุกที่มีอยู่นี่มันมั่นคงเคยสนใจไหมว่าชีวิตของเราที่มีอยู่กันเนี่ยอยู่ด้วยวิบากและกรรมชรลุก แล้ววิบากกรรมชรูปเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยมีความมั่นคงขนาดไหนแล้วสภาพจิตของเราที่นึกคิดเนี่ยเหตุใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วความนึกคิดของเราเหล่านี้เนี่ยเราคิดไหมเราจะไปที่ไหนต่อฉะนั้นแค่วันนี้พรุ่งนี้เราแทบจะรู้เลยทำนายได้เลย ว, ว่าจิตใจเราผูกพันกับอะไรใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะรู้เลยว่าเราจะไปไหนถ้ามีภาพห้างสรรพสินค้าอยู่ในในมโนโทวารวิถีบ่อยๆนะไม่นานเดี๋ยวก็เดินป่ว น, ปนเปี้ยนแถว นังต่ปตินคะเอานะเราเอาทานศีลภาวนาไปสงเคราะห์ได้ไหมไกบเนี่ยร้องพ่อจะให้ทานมีไหมไม่มีกบร้องพ่อสมาทานศีลนีกบร้องพ่อสนธนาธรรมสักข้อหนึ่งไม่มีพอไม่มีปั๊บมันก็เป็นโลภะถ้าร้องถึงครอบครัวของกบจะเป็นจิตชนิดไหนเป็นเมตตาเป็นกรุณามันรู้สึกในคัมภีร์มีอยู่อันเดียวมั้งกบตัวเดียวอะที่อ มันดูกะเทพพระบุตรอะที่ร้องแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยนะเคลิมไปในเสียงธรรมนี่ตัวเดียวว่ะตัวที่เหลื อ, อ น, นี่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะแล้วสัตว์ในอาบาเนี่ยมากจริงๆถ้าหากว่าเราตรึกนะเรามองในะอนาบริเวณแต่และตารางเม็รเนี่ยสัตว์มากมายมหาศาลอย่างจอมปลวกจอมหนึ่งนะมีสัตว์อยู่เป็นล้านๆตัวเลยในอารัสมีวงประมาณสักสองตารางเมตรเนี่ย ก็เหมือนกับมนุษย์บางแห่งในอาคารหลังหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลแต่สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์นี่ห่างกันมากนี้สัตว์บนบกที่เราเห็นเห็นอยู่นะสัตว์ในน้ํานี่มากกว่าสัตว์บกสัตว์น้ํานี่มากกว่าสัตว์บกที่เราไม่รู้นะอย่างสมมตุตินะถ้าถ้าบางแห่งนะถ้าใครเคยเค ย, เคยตักส้วมนะจะมองว่าในในแค่ทิ่ที่หลุมส้วมนั้นนะ่ะสัตว์อยู่เท่าไหร่ในบอ่อหนึ่งบอ่อ ใ, ใ, ในต่อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันขนาดนี้ แล้วซ่วมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ในประเทศเนี่ยและจะมีสัตว์อยู่ในนั้นทั้งหมดเท่าไหร่นั้นสัตว์ที่เกิดในที่มืดตายในที่มืดเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วในส่วนอื่นๆเองนะสมมติว่าที่ที่เรามาเดินเข้าที่พักเนี่ยเราจะเห็นไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ยมันบินว่อนเป็นฟูงเป็นฟูงตัวกระจีดหนึ่งสายตาปล่าเนี่ยนะถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นมันเยอะขนาดนั้นเน่ยโอ้โหสัตว์นี่มากมายมหาศาลทีนี้เราก็หนึ่งในเราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่ใช่สัตว์ ไม่ได้เมื่อไม่ได้เนี่ยสัตว์เหล่านั้นไปด้วยจิตชนิดใดไปด้วยโลภะโทสะและโมหะแล้วเหตุเหล่านั้นเรามีไหมอันไนะถ้าเหตุเหล่านั้นเรามีอยู่เราก็ยังไม่พ้นเมื่อเราไม่พ้นเนี่ยถามว่าวิถีชีวิตเราเร า, เอาอะไรเป็นที่พึ่งกันแน่อันนั้นถ้าหาว่ามองลักษณะนี้เราจะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรายว่าโอพระผู้มีพระภาคนะเป็นคนชี้ให้เราเห็นว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระ เราควรตั้งจิตของเราไว้อย่างไรนั่นแหละเราควรจะมีวิถีชีวิตของเราเพื่ออะไรหรือว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะถ้าเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเนี่ยจะได้รับผลต่อไปมากมายมหาศาลอย่างข้อความที่จะกล่าวต่อไปก็คือผลแห่งโลกุตระสารณคมก่อนว่าผู้ที่ได้โลกุตระหรือที่เรียกว่าเป็นโสดาบานันเป็นต้น จะได้รับผลอย่างไรก็ในสารณาคมสองอย่างนี้สองอย่างคือโลกิยะสารณาคมกับโลกุตระสารณาคมโลกุตระสารณาคมนั้นมีสามัญญผลสี่เป็นวิบากผลผลของโลกุตระสารณาคมเพราะโลกุตระสารณาคมก็คือในขณะมรรคเป็นต้นนั่นเองก็มีสามัญญผลสี่สามัญญผลสี่เป็นชื่อของหนึ่งโซดาปฏิผลสองสกทาคามีผล 3. อนาคามีผลสอรหัตตะผลมีการมีความสิ้นไปแห่งทุกทั้งมวลเป็นอนิสงส น, นะที่เรียกว่ากองทุกทั้งหลายทั้งทั้งปวงเนี่ยนะทุกใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาผู้ที่ถึงโลกุตระสารณาคมแล้วทุกอันนั้นก็ถ้าเป็นพระโสดาบันเหลือนิดเดียวจริงๆสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะย่อมเห็นอริยาาสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความก้าวล่วงทุกขและมักมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังสัจให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบสารณะนั่นแหลของบุคคลนั้นเกษมสารณะนั่นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั่นย่อมพ้นจากทุกขทั้งปวงได้นะผู้ที่ถึงไตรสารณะหรือถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์จริงๆเพื่ออะไร เพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะชี้ให้เรารู้แจ้งอริยสัจถ้าหากว่ารู้แจ้งในอริยสัจแล้วจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเพราะว่ามีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมถึงสารณะเพราะท่านเป็นอาจารย์ใช่ไหมสิสภาวูปคนะัคขมณะเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในฐานะเป็นท่านเป็นอาจารย์อาจารย์ผู้ชี้เรื่องอะไรเรื่องความรู้เรื่องอริยสัจนั่นเอง ถ้าเรามีความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมเราก็จะค้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้ดงนั้นข้อความในคาถานี้จะยกข้อความในคาถาธรรมบทซึ่งมีต้นเรื่องต้นเขาในธรรมบทนะท่านก็ตัดออามาให้ฝังนิทานตะกอบบ้างเนาะคำว่านิทานนี่แปลว่าแปลว่าเหตุนะไม่ใช่การ์ตูนนะนิทานกับการ์ตูนคนละ อ, อย่างกันภาษาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันประทับนั่งบนกองทราย พระองไม่นั่งบนฟ้าด้วยกันนะแล้วก็ทรงปาราปุโรหิตของพระเจ้ากกศลชื่อว่าอาคิทัตตัดพระธรรมเทศนาว่าพาหุ่งเวสรนังยันติปัพตาเนวนาปิจะเป็นต้นนั่งได้สดับมาอาคิทัตนั้นได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหากกศลพระเจ้ามหากกศลก็คือพระเจ้าพ่อของพระเจ้าประเซนที่โกศล น, นั่นเอง ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชาทรงพระนามว่าประเสริที่โกศลก็เลยทรงนำเรตว่าผู้นี้เป็นปุโรหิตแห่งพระชนกของเราจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแหละทรงทำการเสด็จลุกรับสแสดงว่ามีเกียรติมากพอลุกเดินมาเท่านั้นแหละพระราชาเนี่ยต้องให้เกียรติลุกขึ้นยืนต้องรับรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันนั่งที่นั่งเท่ากันเลยกับพระราชา ด้วยดําดัดว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปกครองบ้านเมืองได้ช่วยราชกิจได้ทั้งหมดอะ่ะช่วยได้เยอะก็ให้เกียรติเคารพนับถือมากอาคิแทส์นั้นก็เลยคิดว่าพระราชานี้ทรงทําความเคารพในเราอย่างหลือเกินเคารพมากๆมกันไม่ใช่ว่าจะสบายใจใ้คนที่ถูกเคารพเนี่ยแต่เราก็ไม่อาจจะเอาใจพระราชาทั้งหลายได้ตลอดการเป็นนิดทีเดียวไม่รู้จะรักษาใจได้หรือเปล่างั้น คือบอกว่าอาการรักษาใจคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํายากที่สุดและก็อันหนึ่งพระราชาก็ยังเยาวอายุยังน้อยยังหนุ่มน้อยชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยคนผู้มีวัยเสมอกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสุขใช่ไหมจะรับใช้ใครก็ไวัยไล่เรียกกันก็พอจะคุยกันรู้เรื่องหน่อยส่วนเรานี่เป็นคนแก่ก็เลยทําไงดีอายุมากๆบวชดีกว่าก็เลยควรบวชเหมือนกัน เขาก็กราบทูลให้พระราชาพระราชาทานพระบรมราชาอนุญาตการบรรบัญชาแล้วให้คนตีกลองเที่ยวไปในพระนครแลี่สละทรัพย์ของตนทั้งหมดในเพราะการให้ทานเป็นใหญ่ตลอดเจ็วันโอ้โหเอาเข้าวของมาแจกเป็นทานเปลี่ยนและก็บวชเป็นนักบวชภายนอกสมัยนั้นยังไม่มีพระศาสนานก็บวชบวชหมื่นหนึ่งอาศัยอคิทัสนั้นบวชตามแล้วโอ้โหคนใหญ่คนโตวบวชลูกศิษย์เทียบเลย อคิธาตุนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นก็สําเร็จการอยู่ในระหว่างแห่งแคว้นอังคะกับแขวนมคคะทะและแควนกุรุต่อกันคืออยู่ในอกินณนาบริเวณสามสามแขวนด้วยกันแล้วอคิธาตุคนนี้ก็สอนลูกศิษย์ทั้งหลายว่าพ่อทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้ใดมีกามวิตกเกิดขึ้นผู้นั้นจงขนทรายม้อจงขนหม้อทราย หม้อหนึ่งหนึ่งจากแม่นะ้ามาเกลี่ยลงตรงนี้นะวันนี้ถ้าใครไปคิดถึงคนรักเก่าเอาหม้อนี้ไปตักทรายมากองไว้ตรงนี้นะวันนี้ไปคิดว่าใครสักคนนะไปคิดตำหนิใครหนึ่งคนเอาหม้อเนี่ยไปตักทรายมาเกลี่ยวไว้ตรงนี้วันนี้คิดช่งชักหักกระดูใครเอาหม้อทรายเนี่ยไปขนทรายมากองไว้ตรงนี้ลูกสิษเป็นหมื่นนะจะได้ทรายกองโตขนาดหัหน การรักษาจิตให้มันดีๆแมันยากใช่ไหมโลภ้าเกิดคั้งไปตักทรายอีกแล้วมันกองทรายก็เลยกองพนเนินเดินนะึกนะนี่คําสั่งของการปฏิบัติธรรมวิธีหนึ่งสมัยนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาทรายเนี่ยมาเกลี่ยวไว้ตรงนี้พวกนักบวชเหล่านั้นก็รับว่าดีล่ะในเวลาการมวิตกเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดนะโลผ้าเกิดปุ๊บอ่าไปตักทรายมาถ้าใครขี้เกียจตักทรายก็อย่าให้มีโลภ้าก็แล้วกัน โดยสมัยอื่นอีกก็ได้มีทรายกองใหญ่แล้วนะพักเดียวไม่กี่วันก็กองพะเนินเติมทึกและทรายนั่นนะ